สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการพุทธบริ ษ, ษ, ษัทีสมัยพุทธกาลก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหมอชีวโกโก ม, มารพัฒที่ได้เ่าค้างไว้นะครับ ในเรื่องที่ได้เราค้างไว้ในตอนที่แล้วนั้นก็ได้กล่าวถึงตอนที่หมอชีวโกโกมารพัฒได้มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนื่องด้วยเนื้อและปลาที่ว่าพระพิสุฉันได้และไม่ได้เป็นอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อและปลาที่พระภิสุจะฉันได้นั้นก็มีอยู่สามอย่าง คือหนึ่งไม่ได้เห็นว่าเขาจะฆ่าเพื่อถวายท่านสองไม่ได้ยินว่าเพื่อเขาจะฆ่าเพื่อถวายท่านและไม่ได้สงสัยว่าเขาได้ฆ่าเพื่อหรือว่าได้เห็นว่าเพื่อจะถวายท่านเนี่ยอย่างนี้เป็นอันว่าฉันไม่ได้ถ้าฉันแล้วก็จะเป็นอวบนะครับ ส่วนอาหารที่เกี่ยวกับเนื้อและปลาที่ฉันได้ก็คือว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยว่าเขาจะฆ่าเพื่อถวายท่านหรือว่าจะทําเพื่อถวายท่านเหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สแสวงหาในทางที่บริสุทธิ์นะครับเพื่อไม่ให้ พระเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียมาถึงพระพุทธศาสนาได้คือเราคนเดียวเนี่ยนะครับบางทีเรานึกว่าเราทำไม่ดีคนเดียวคนอื่นไม่ได้มาผิดไม่ได้มันกระทำชั่วร่วมกับเราอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเราคนเดียวนี่แหละครับสามารถจะทาลายบุคคลส่วนใหญ่ได้เหมือนกับในตระกลกนึง ซึ่งเขาเคยประพุติปฏิบัติมาดีมีพี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทพิสหายทั้งหลายเคยประพฤติในสิ่งที่ดีงามมาแต่ว่ามาถึงเราเราก็ทําความชั่วลงไปกระทาความไม่ดีลงไปเราเพียงคนเดียวนี่แหละครับทํำลายวงตระกูลให้ถูกเขาประนามย้ห ม, มิ่นได้ว่าคนตรกนนนะกูลนั้นนามสกุลนั้นชื่อนั้นกระทาไม่ดี ความเสีหายก็พลอยไปถึงวงตระกูลของเรานะครับไม่ใช่จะถือที่คําท่าว่าเมื่อจะชั่วก็ตัวชั่วแต่ตัวยักษ์สุริวงศ์พงศักดิ์ไม่เสื่อมเสียอะไรไม่ใช่นะครับยักษ์ทำชั่วก็เสียตระกูลจากวงยักษ์ไปเลยนะครับหรือพระพิสุในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันครับท่านจะนึกว่าอาตมาเพียงองค์เดียวก็ทําอะไรไปก็ไม่เห็นไปเดือดร้อนใคร ความจริงเดือดร้อนนะครับเรื่องที่พระทำอะไรไม่ดีไม่งามไปเพียงองค์เดียวแต่พลอยพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพุทธบริษัทเนี่ยก็พลอยมัวหมองไปด้วยเพราะบุคคลคนเดียวคนนั้นทําให้บุคคลทิ้งก็เกิดความเบื่อหน่ายเลิกนับถือพระพุทธศาสนาไปก็มีเพราะเห็นว่าพระท่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบอย่างนั้นมาอย่างนั้นนะครับ คราวนี้ก็มีเรื่องของหมอชีวโกมารพัฒเกี่ยวกับเรื่องเนื้อและปลาเนี่ยนะครับก็เนื่องมาถึงสัตว์ใหญ่ๆอย่างอื่นด้วยโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสให้หมอชีวโกมารพัฒได้ทราบถึงว่าการที่บุคคลจะฆ่าสัตว์มาทําบุญเนี่ยจะได้บุญหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ เพราะว่าเราก็คิดกันเสมอว่าเอ๊ะเราฆ่าควายฆ่าวัวฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูเพื่อจะเอามากระทำบุญสุนทานเนี่ยจะได้บุญไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าดูก่อนหมอชีวกผู้ที่ฆ่าสัตว์ด้วยเจาะจงถวายตถาคตหรือเจาะจงถวายพระสาวกของตถาคตย่อมได้รับ บาปมากด้วยเหตุ5ประการคือ 1. ขรา บ, บดีที่กล่าวว่าจงไปนำสัตว์ตัวโน้นมาก็ได้รับบาปมากด้วยเหตุที่หนึ่งแล้วนะครับนี่เพียงแต่บอกว่าให้ไปนำสัตว์ตัวนั้นมาเพื่อจะฆ่าเนี่ยนะครับก็ประสบกับบาปแล้ว 2. สัตว์นั้นถูกผูกคอรากจงมา ทำให้สัตว์นั้นได้รับทุกทมนัดคือเกิดความทุกกายและทุกใจก็ย่อมได้รับบาปด้วยเหตุที่สองส่วนข้อที่สามโดยบอกว่าเจ้าจงฆ่าสัตว์ตัวนี้ย่อมได้รับบาปด้วยเหตุที่สามสเมื่อสัตว์นั้นถูกฆ่าย่อมได้รับทุกขโทมนัดย่อมได้รับบาป ด้วยเหตุที่4และ5บุคคลย่อมพูดลุกรานตถาคตหรือพระสาวกของตถาคตด้วยเรื่องเนื้อที่ไม่สมควรย่อมได้รับบาปด้วยเหตุที่5นี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้ลงไปถึงการฆ่าสัตว์เพื่อจะถวายพระองค์หรือว่าจะถวายกับพระภิสุทธสงฆ์ก็ตามนะครับ เป็นเรื่องที่มีบาปมากกว่าบุญนะครับถ้าพิจารณาตามหัวข้อเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้บุญเลยสักอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรถ้าเรามาดูกันถึงพื้นฐานด้านจิตใจก่อนนะครับเพราะจิตใจของบุคคลเราเมื่อคิดจะให้ฆ่าสัตว์เนี่ย จิตใจตัวนั้นเศร้าหมองแล้วนะครับจิตใจตรงนั้นเป็นบาปแล้วถ้าตายไปในขณะนั้นนะยังไม่ต้องไปฆ่าสัตว์หรอกครับท่านก็คงจะไปสู่นรกแล้วนะครับแต่ว่าจะไปชั้นไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งการที่เราทำจิตให้มัวหมองด้วยเรื่องของบาปเข้ามาครอบงมจิตใจเราเนี่ยก็จะทำให้จิตใจของเรานึกถึงแต่เรื่องบาปอยู่ทางนั้น ฉันสั่งให้เขาไปนําอสัตว์ตัวนั้นมาแล้วเขาก็ทําตามไปจุงสัต์นั้นมาแล้วก็บอกให้ฆ่าสัตว์ตัวนี้คนทํากับคนสั่งนะบาปเท่ากันนะครับไม่ต่างกันหรอกเพราะอะไรเพราะคนสั่งมีเจตนาต้องการจะให้ฆ่าแล้วรำมพิจารณาดูคนฆ่าดูจะบาปน้อยกว่าคนสังส่งซะอีกด้วยเพราะที่เขาฆ่านะเนี่ยก็ฆ่าตามคําสัง่ง นะอันนี้ต้องพิจารณาดูถึงเหตุถึงผลว่าคนที่สั่งให้คนอื่นทําบาปทําชั่วทํากรรมอันลามกอะไรก็แล้วแต่สิครับคนสั่งนันมีบาปมากที่สุดเพราะเป็นบาปที่เกิดจากจิตของตัวเองคิดขึ้นมาแล้วก็จะมาสั่งให้บุคคลอื่นกระทาฉะนั้นคนที่ก็ทําตามคําสั่งนั้นบาปน้อยกว่าคนสั่งซะอีกนะครับและพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสถึง เหตุที่จะเกิดบาปห้าประการแล้วก็ได้ตัดกับหมอชีวกต่อไปว่าดูก่อนหมอชีวกผู้ที่ฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาเจาะจงถวายตถาคตหรือจะถวายพระสาวกของตถาคตย่อมได้รับบาปมากด้ดยเหตุหประการเหล่านี้และเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายดังนี้แล้วหมอชีวกโกรมารพัฒน์วิงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับเป็นการอัศจรรย์มากในการที่พระพิสูจน์ทั้งหลายบริโภคอาหารที่สมควรแก่สมณะบริโภคเป็นอาหารที่ไม่มีโทษพระเจ้าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์จัดว่าเป็นการดียิ่งนะักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกกรปริยาย คือมีเหตุหลายอย่างมีอาการเหมือนบุคคลหายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดออกและบอกทางให้แก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดเพื่อให้คนตาดีอื่นๆจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้า งทรงจำข่าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระตนาไตรยัยจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่หมอชีวกได้ไมากราบทูลถามเกี่ยวกับเรื่องเนื้อและปลาที่พระภิสุฉันได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้รู้กันด้วยอาศัยหมอชีวกเป็นผู้กราบทูลถาม ผลงานของหมอชีวกอีกประการหนึ่งก็คือหมอชีวกโอมารพัฒถวายการรักษาพระเจ้าจันทปัะโชธพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคผมเหลืองตามที่มีเรื่องราวกล่าวอยู่ในบาลีคำพีมหาวัคพระวินัยยปิดกแห่งจีวรขันธกะดังนี้พระเจ้าจันทปัะโชธพระราชาแห่งกรุงอุเชนีแควนอวันตี ในบัตรนี้เรียกว่าอุทเชนนะครับทรงพระประชวรด้วยโรคผมเหลืองบรรดาในแพทย์ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนได้ถวายการรักษาพระราชาแต่ไม่สามารถทำให้หายได้มีแต่รับเอาเงินค่ารักษาพยาบาลไปเป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระเจ้าจันทประโ ช, ชดได้ทรงราชทูต ถือพระราชสารไปราชสำนัก ข, ของพระเจ้าพิมพีสามบรมรกษัตริย์แห่งกรุงราชครืมีใจความว่าหม่อมฉันเจ็บป่วยเป็นอย่างนั้นขอพระรจชทานพระบรมราชวโรกาสขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดสั่งหมอชีวโกโกมารพัฒให้มาช่วยรักษาหม่อมฉันด้วยเถิด พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์จึงมีพระราชบรมสั่งหมอชีวกโกมารพัทว่าพ่อหมอชีวกเธอจงไปเมืองอุเชนีเพื่อทําการรักษาพระเจ้าจันทประโชธหมอชีวกโกมารพัทกราบบังคมทูลรับสนองพระราชบัญชาแล้วได้ออกเดินทางไปยังเมืองอุเชนีแล้ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าจันทประโชธ ได้กราบบังคมทูลขอตรวจดูพระอาการที่ทรงพระประชวรของพระเจ้าจันทประโชธและได้กราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกกล้าวปกกระม่มข้าพระพุทธเจ้าจะหุงเนยใสยถวายใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทจะได้สวยเนยใสย น, นพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจันทประโ ช, ชมีพระราชดำริห้ามว่า อย่าเลยหมอชีวกถ้าเธอสามารถทำให้เราหายได้ด้วยวิธีใดโดยเว้นเนยใสยเสียได้ท่านจงทำอย่างนั้นเถิดเพราะเราเกลียดเนยใสายมากที่สุดมีอธิกถาได้อธิบายถึงเหตุผลของการที่พระเจ้าจันทปัะโชดเนี่ยทรงเกลียดเนยใสยมีปรากฏอยู่ในคำพีตัติยะสมันตปาสาธิกากล่าวว่า มีสาเหตุที่พระเจ้าจันทประโชด ท, ทรงเกลียดเนยสายยิ่งนักเพราะในอดีตชาติพระองค์ทรงบังเกิดในกำเนิดแมลงป่องเนยสายเป็นยาและเป็นของหน้าเกลียดของแมลงป่องทั้งเป็นยากําจัดพิษแมลงป่องด้วยฉะนั้นพระเจ้าจันทประโชดจึงทรงเกลียดเนยสายเพราะว่าอดีตเป็นมาอย่างนี้เอง ฝ่ายหมอชีวกก็มาคิดพิจารณาไครครวนว่าโรคของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ที่ทรงพระประชวรอยู่ถ้าเว้นเนยใสยแล้วไม่สามารถรักษาให้โรคหายได้เอาเถอะเราจะหุงเนยใสยให้มีสีมีกลิ่นรสเหมือนกับน้ำฝาดโดยจะไม่ให้มีกลิ่นเนยสาสปรากฏเลย พอหมอคิดดังนี้แล้วจึงได้หุงเนยใสกับยาต่างๆให้มีสีกลิ่นรสเหมือนกับน้ำฝาดเท่านั้นแต่หมอชีวกเมื่อปรุงยาเสร็จแล้วก็ชุคิดขึ้นได้ว่าเนายใสที่พระเจ้าจันทปัจโชดเสบยแล้วเพราะอาหารย่อยก็ดีจะทรงอาเจียนเนยใสออกมาก็ดีจะทำให้พระชาทรง เกลียกราดพระราชาพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ดุร้ายจะพึงมีพระจักรสรับสั่งให้ข่าเราเสียก็ได้ทางที่ดีเราควรกราบบังคมทูลลาไว้ก่อนเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงส ม, มุทรเทวราชพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ยอมเที่ยวไปขุดรากไม้ และหายามาโดยเร็วพันเช่นที่ทรงพระประสงค์นั้นขอประธานพระบรมราชวโรกาศขอใต้ฝ่าละองุลีพระบาททรงมีพระราชพระบรมราชองค์การสั่งเจ้าพนักงานในโรงราชพานะและที่พระทวารไว้ว่าถ้าหากหมอชีวกโกมารพัฒต้องการจะไปด้วยพานะอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จงให้ไปและประสงค์จะเข้ารู้ออกทางรทาพระทวารใดพระทวารหนึ่งหรือมีความต้องการจะเข้าและออกในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ขอให้กระทําได้ทุกประการพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจันทปรชโชดจึงมีพระบรมราชอง์การแก่จเจ้าพนักงานตามที่หมอชีวโกโกมารพัฒกราบบังคมทูลขอทุกประการ ในสมัยนั้นพระเจ้าจันทปัตโชธทรงมีช้างพังชื่อพัฒวดีเดินทางได้วันละห้โยต์อัตถคถาคัมภีร์ตติยะสมันตะปาษาติกาว่าพระเจ้าจันทปัะชชธมิได้มีเฉพาะช้างพังเพียงเชือกเดียวแต่พระองค์ทรงมีช้างพลายชื่อนาราคีรีสามารถเดินทางได้วันละหนึ่งอยโยต์ ทรงมีม้าสองม้าชื่อเวลูกันนะกับมุนชเกศเป็นม้าที่สามารถเดินทางได้วันละร้อยยสบโยธและทรงมีทาสีชื่อกากะสามารถเดินทางได้วันละห0สบโยธมูลเหตุที่พระเจ้าจันทปัะโชจะทรงมีพระราชพานะสมบูรณ์เช่นนี้เนื่องมาจาก อดีตชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็นบุุรรับใช้ได้กระทำหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยขวนขวายในการกระทำบุญของนายจ้าวันหนึ่งกลุบุตรผู้เป็นใหญ่กำลังนั่งเพื่อจะรับประทานอาหารแต่ บางคำพีกล่าวว่าท่านกลับมาจากอาบน้ำได้มีพระประเจ้าพะพุทธเจ้ามายืนอยู่ที่ประตูบ้านของกุลบุตรน้นชั่วครู่หนึ่งแล้วก็เดินจากไปแต่กุลบุตรผู้ใหญ่ไม่ทันได้เห็นฝ่ายบุรุษลูกจ้างได้แลเห็นอาการของพระประเจกพระพุทธเจ้าเช่นนั้นจึงบอกแก่กุลบุตรนายจ้างว่านายครับ พระปเจกพุทธเจ้ามาถึงที่นี่และได้ไปแล้วครับกุลบุตรผู้เป็นผู้ใหญ่ได้ฟังคําบอกเล่าแล้วร้องสั่งบุรุษผู้นั้นว่าท่านจงรีบไปจงไปนําบาทของพระปเจกพุทธเจ้ามาโดยเร็วปุญเหตุที่กุลบุตรนายจ้างใช้บุรุษผู้นี้เพราะบุรุษรับใช้ผู้นี้มีฝีเท้าที่วิ่งได้เร็วมากไม่มีใครสู้ได้ บุตรนั้นก็จึงได้รีบไปรับบาตรจากพระปพเจกพุทธเจ้ามาให้แก่กุลบุตรผู้เป็นใหญ่หรือกุลบุตรผู้เป็นนายนั้นแล้วกุลบุตรผู้เป็นใหญ่นั้นก็ได้นําอาหารที่ตนจะรับประทานทั้งหมดใส่ลงในบาตรและส่งให้บุรุษผู้นั้นไปบุตรผู้นั้นนําบาตรไปประเคนพระปพเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยการประกอบวิยาวัจจหม่คาว่าวิยาวัจไหม่นี้ก็คือการกระทําดีด้วยการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นอันเป็นการกระทําทางกายด้วยการวิ่งไปและวิ่งมาโดยเร็วยิ่งนี้เมื่อข้าพเจ้าเกิดในที่ไห น, ไหนขอจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยภาชนะ ส่วนร่างกายของข้าพเจ้าที่ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาขออํานาจอาญายาของข้าพเจ้าจงได้แผ่กระจายไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ในที่ที่เกิดแล้วเกิดแล้วฝ่ายส่วนบุญในบิณฑบัตนี้ที่นายจ้างได้ให้แล้วแก่ข้าพเจ้าด้วยผลอันไหลออกของส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้า ได้มีส่วนรู้เห็นธรรมะที่ท่านได้รู้เห็นแล้วขอรับพระประเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าจงสําเร็จตามความปรารถนาของท่านทั้งกล่าวอนุทนาคือแสดงความยินดีว่าสิ่งที่ท่านต้องการและปรารถนาแล้วจงพลันสําเร็จขอความดำริทั้งโปวงของท่านจงเต็มด่งประจันในวันเพนขึ้นสบห้า สิ่งที่ท่านต้องการและปรารถนาจงพันสำเร็จขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มดังแก้วมณีที่ชื่อโชติรสแก้วโชติรสนี่เป็นแก้ววิเศษชนิดหนึ่งที่มีรัศมีรุ่งเรืองบัตรนี้รุตรับใช้นั้นได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจันทปรโชดผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยราชพานะต่างๆเพราะได้ กระทำดีตั้งความปรารถนามาแต่อดีตชาตินั่นเองขอนิมากล่าวถึงหมอชีวกบ้างท่านหมอชีวกโกมารพัฒหขุงเนยใสยผสมกับยาจนได้ที่ตามต้องการแล้วให้รูปเป็นประหนึ่งเหมือนกับน้ำฝาดธรรมดามดาไม่มีเนยใสยเจือปนเลยจึงได้นำขึ้นถวายพระเจ้าจันทรกปลดชดด้วยการกราบบ่งโคมทูลว่า ขอใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทจงสวยน้ําฝาดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะและพอพระปัฏเจ้า พ, พุทธเจ้าจันทประโชดสวยเนยใสแล้วเขาก็รีบไปที่โรงช้างขึ้นขี่นางช้างพังพัฒนวดีหนีออกไปจากพระคนครโดยเร็วเพราะด้วยความเก่งกลัวพระาาราชอำนาจของพระเจ้าจันทประโชดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนั้น พระเจ้าจันทประโชดเสวยเนยใสยแล้วเวลาต่อมาอีกสักครู่หนึ่งพระองค์ก็ทรงอาเจียนออกมาจึงทรงพระพิโรธมีพระราชบัรัติว่าหมอชีวกโกมารพัฒ ช, ชาชั่วหลวงให้เราดื่มเนยใสยพวกท่านจงจับหมอชีวกโกมารพัชให้ได้โดยเร็ววัยพวกมหาเล็กกราบมังคมธูลว่าขอเดชะ หมอชีวโกโกมารพัตได้ขึ้นขี่ช้างพังพัฒนวดีหนีออกจากพระนครไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะในครั้งนั้นพระเจ้าจันทประโชดมีทาตอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่ากากะนั้นนายกากะนี้มีประวัติว่าเขาเป็นผู้เกิดขึ้นด้วยอาศัยอัมนุษย์เขาสามารถเดินทางไายได้วันละห0สิโยชน์พระเจ้าจันทปโชยิงตรัสสั่งนายกากะว่า ท่านตรงไปตามตัวหมอชีวโกโกมารพัฒกลับมาโดยพูดอ้างว่าท่านอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้เชิญท่านกลับไปนี่แน่นายกากะขึ้นชี้ว่านายแพทย์ทั้งหลายย่อมมีเล่กลมารยามากท่านอย่ารับสิงของอะไรๆของหมอชีวโกโกมารพัฒเป็นอันขาดนะ นายกะกาะกราบบ่งคมทูลรับสนองพระราชบัญชาแล้วได้รีบออกเดินทางติดตามไปทันทีและได้ไปทันหมอชีโวโกโกนอรมารพัทที่กำลังรับประทานอาหารมื้อเช้าในระหว่างทางที่เมืองโกสัมพีแล้วจึงเรียนหมอชีโวโกโกมารพัทตามพระราชดำสั่งว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้เชิญท่านกลับไปครับหมอชีวโกโกมารพัฒน์จึงกล่าวกับนายกากะว่าดูก่อนกากะท่านจงรอให้ข้าพเจ้ารับประทานอาหารเสร็จก่อนขอเชิญท่านรับประทานอาหารด้วยกันเถิดนายกากะตอบปฏิเสธทันทีว่าไม่หรอกครับข้าแต่ท่านอาจารย์ พระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสสั่งข้าพระเจ้าไว้ว่าขึ้นชื่อว่านายแพทย์ทั้งหลายย่อมมีเล่เรียมารยามากท่านอย่ารับจิงของอะไรอะไรของหม อ, มอขหมอชีวกโกมารพัฒเป็นอันขาดท่านใดนั้นหมอชีวกโกมารพัฒได้ฟังคำของนายกากระแล้วจึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้เขาตายใจจึงเอายาใส่ไว้ที่เล็บมือ แล้วกัดกินมะขามป้อมครึ่งหนึ่งคือรับประทานไปครึ่งผลแล้วก็ดื่มน้ําตามลงไปแล้วก็บอกนายกากะว่าเชิญพ่อกากะกัดกินมะขามป้อมนี้ด้วยกันเถิดแล้วก็ดื่มน้ํานี้ตามไปคงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะนายกากะได้แลเห็นการกระทําของหมอชีวโกโมารพัฒทุกอย่างคิดว่า มะขามป้อมนั้นจะไม่มีโทษก็จริงกัดกินมะขามป้อมส่วนที่เหลือครึ่งผลนั่นแลดื่มน้ำตามเข้าไปแล้วายที่สุดนายกากะก็เกิดอาการท้องร่วงอย่างแรงอยู่ในที่นั้นนั่นเองและนายกากะได้เรียนถามหมอชีวโกโมารพัฒว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปหรือไม่ขอรับ หมอชีวโกโมรพัฒ ต, ตอบว่าอยากกลัวเลยเพ่อกาะกะท่านไม่มีอันตรายถึงตายหรอกแต่พระเจ้าอยู่หัวของท่านดุร้ายมากจะทรงให้ข่าเราเสียก็ได้เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจะไม่กลับไปว่าแล้วก็มอบช้างพัฒนวดีให้แก่นายกากะแล้วได้เดินทางกลับไปยังพระนครราชกุ เมื่อหมอชีวกโอมารพัเดินทางรอนแรมมาโดยลาดับจนกระทั่งถึงพระนครราชกุฎแล้วเขาจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารบรมมกษัตย์กราบบงโคมทูลเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระองค์ทรงทราบ พ, พระเจ้าพิมพิสารบรมมกษัตย์รับสั่งว่านับเป็นการดีแล้วที่เธอไม่กลับไปเมืองอุเชนี เพราะพระเจ้าจันทร์ประโชดทรงดุร้ายโหดเหี้ยมมากจะพึงให้สาเร็จโทษคำว่าให้สาเร็จโทษนั้นก็นหมายถึงการประหารชีวิตเธอเสียก็ได้พระเจ้าจันทร์ปรโชดทรงหายพระประชวนแล้วทรงส่รงราชทูตไปที่สำนักของหมอชีวโกโกมารพัทว่าขอเชิญคุณหมอชีวโกโกมารพัมาหาเราเราจะให้พร หมชีวโกโกมารพัฒกราเบองคมทูลต่อไปกับพวกราชทูตเหล่านั้นว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะขอใต้ฝาละองธรีพระบาทจงทรงลึกถึงความดีของข้าพระพุทธเจ้าที่ได้กระทําแล้วเท่านั้นก็พอแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเราหมอชีวกเรมายอมกลับไปเพราะว่าด้วยอำ น, นาจ ความกลัวบังคับใจให้รู้สำนึกว่าถ้าไปพระเจ้าจันทปัะโชดอาจจะฆ่าทันเสียก็ได้ในสมัยนั้นพระเจ้าจันทปัะโชดทรงได้คู่ผ้าสิวยากะผ้าสิวยากะนั่นก็คือผ้าไหมที่ทำในเมืองสีพีหนึ่งคู่เป็นผ้าเนื้อดีเลิศอย่างยิ่ง มีชื่อเสียงเด่นที่สุดเป็นผ้าที่เยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายในจํานวนผ้ามากมายเป็นผ้าที่ประมาณราคาไม่ได้คือไม่สามารถจะตีราคาว่าเท่านั้นเท่านี้ได้พร้อมทั้งผ้าบริวารหนึ่พผืนพระองค์ได้ทรงส่งผ้าซิวยากะและผ้าบริวารหนึ่งพันผืนพร้อมด้วยข้าวสาร ห้าร้อยเกวียนเงินหนึ่งมืนหกพันกะหาปณะนะไปพระราชทานแก่หมอชีวโกโกมารพัฒเป็นนังวันที่ได้กระทำการรักษาพยาบาลพระองค์ให้ทรงหายพระประชวนโรคผอมเหลืองได้หมอชีวโกโกมารพัฒ เมื่อได้รับพระราชทานรางวัลผ้าศิวียกะมาแล้วก็มาคิดพิจารณาว่าผ้าศิวียกะคู่นี้ที่พระเจ้าจันทประโชธทรงส่งมาพระราชทานเป็นผ้านี้จะเป็นผ้าเนื้อดีเลิศล้ำยิ่งมีชื่อเสียงดีเด่นที่สุดและเป็นผ้าที่เยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายตั้ง หลายร้อยคู่หลายพันคู่หรือหลายแสนคู่คู่ผ้านี้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นผู้อื่นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้นี่ก็เป็นความนริในใจของหมอชิโโกมารพัฒ์ที่เมื่อได้รับพระราชทานผ้ามาแล้วก็มีความ ต้องการอยากจะนำผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าหรือว่าจะถวายแด่พระเจ้ามีพิศานหมอชีวโกโกมารพัฒถวายพระโอสถสสำหรับใช้ถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องยาถ่ายของหมอชีวโกโกมารพัฒนนี่กานับว่าเป็นยาถ่ายที่ในสมัยนี้ก็ยังไม่เคยพบนะครับว่ายาถ่ายของท่านแปลกกว่าในยุคปัจจุบัน ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดที่อยู่ในอนณาเขตพระนครราชครุครั้งนั้นพอรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าหนักด้วยสิ่งที่เป็นโทษพระองค์จึงรับสั่งกับพระอนุตเทระว่าดูก่อนอนุนกายของตถาคตหมักหมมด้วยสิ่งที่เป็นโทษ ตถาคตต้องการจะฉันยา่ายพระนอานนท์เถระทราบถึงพระพุทธประสงค์แล้วจึงได้ไปหาหมอชีวโกโกมารพัดและบอกว่าคุณหมอชีวกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประสงค์จะเสวยยา่ายเจริญพรหมอชีวโกโกมารพัดกราบเรียนว่าถ้าเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าจง กระทำพอรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชุ่มชื่นรักสองสามวันก่อนครับคือก่อนที่จะถ่ายยาเนี่ยเอาทำร่างกายให้สุขสบายก่อนพระนรน์เระก็ได้ปฏิบัติตามที่หมอชีวโกโกมารพัดบอกและเมื่อเวลาล่วงไปโด้สองสามวันแล้วท่านจึงได้ไปหามหมอชีวโกโกมารพัดและบอกว่าคุณหมอ บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระวรกายชุ่มชื่นแล้วคุณหมอควรพิจารณาดูการที่สมควรถวายพระโอสฐถ่ายเถิดเจริญพรหมอชีวโกโกมารพัฒน์ไตรตรองว่าการที่เราจะถวายพระโอสฐถ่ายที่ยากแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สมควรเลยเราควรจะอบก้านอุบลสักสามก้าน ด้วยใช้ยาต่างๆไปถวายครั้นคิดไตรตรองมองเหตุและเห็นเหตุผลดังนี้แล้วจึงอกการอุบลสามกานด้วยยาต่างๆแล้วถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลแนะนําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสูตรก้าอุบนก้านที่หนึ่งนี้ ที่จะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายถึง10ครั้งพระเจ้าค่ะแล้วถวายก้านอุบลก้านที่สองพร้อมกับกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงส่ง ah สูตรก้านอุบลก้านที่สองนี้ที่จะทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายอีกสิครั้งพระเจ้าค่ะแล้วถวายก้านอุบลก้านที่สาม พร้อมกับกราบทุนว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสูตรการอุบลนกานที่สามนี้ที่จะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายถึงอีกส0ครั้งพระเจ้าขันหมอชีวกโกมารพัฒถวายพระโอสถสสำหรับถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทรงถ่าย30ครั้งแล้วจึงกราบถวายบังโคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทำบันทัดศีลแล้วกลับไปขณะที่หมอชีวโกโกมารพัฒเดินทางออกไปภายนอกซุ้มประตูพระวิหารก็ได้หวนคิดขึ้นว่าเราได้ถวายพระโอษฐายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทรงถ่ายถึงส0สครั้งแต่พระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมักมมด้วยสิ่งที่เป็นโทษมาก พระองค์จะทรงถ่ายไม่ครบ30ครั้งจึงจะทรงถ่ายเพียง29ครั้งเท่านั้นต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้วทรงสงผลกรรมครั้นพระองค์ทรงสงผลกรรมแล้วจะทรงถ่ายอีกหนึ่งครั้งก็รวมเป็น30ครั้งพอดีครั้นคิดได้ดังนี้จึงไปกราบเรียนพระอนุนตเทระ ให้ทราบถึงความข้อนั้นเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและก็จะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงถ่ายครบ30ครั้งตามที่หมอชีวโกโกมารพัฒตั้งใจไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้เห็นถึงว่ายาถ่ายที่หมอชีวกโกมารพัฒ์กระทาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย ไม่ใช่เป็นยารับประทานแต่เป็นยาที่ทําหรับสูรเอาควัญเข้าไปแล้วก็ทำให้ถ่ายได้ก็นับว่าเป็นยาที่แปลกดีนะครับในฐานะที่หมอชิวโกโมารพัฒผู้ได้รับนามว่าเป็นยอดของคุณหมอหรือเป็นอาจารย์ของคุณหมอฝายพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้รับถวายยาและทรงทราบถึง ความคิดของหมอชีวโกโมารพัฒด้วยพระไัยแล้วจึงได้สั่งพระอนันตถิระว่าดูก่อนอนนท์โทจจงเตรียมน้ำร้อนไว้คือหมายความว่าผู้มีพระเจ้าก็ปฏิบัติตามที่หมอชีวโกโมารพัทกลับทูลเอาไว้ว่าให้สูรดมกา้านบัวกา้านที่หนึ่งจะถ่ายสิบครั้งกา้านที่สองถ่ายอีกสิบครั้งแต่กา้านที่สามเนี่ยมีปัญหาอยู่ ก็จะถ่ายเพียง29ครั้งและถ้าพระองค์ทรงสงฆ์พระวรกายก็จะถ่ายอีกหนึ่งครั้งครบ30ครั้งพอดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงวิธีการนั้นแล้วจึงตัดสั่งให้พระนนท์เตรียมน้ำร้อนไว้พระนนทเถระก็กราบทูลรับสนองพระพุทธบัญชาแล้วจึงได้จัดเตรียมน้ำร้อนไว้ถวาย เวลาต่อมาหมอชีวโกโกมารพัฒน์ได้ไปเข้าฝ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในสถานที่ที่ควรส่วนครั้งหนึ่งจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้วหรือพระเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าหมอชีวกตถาคตถ่ายแล้วหมอชีวโกโกมารพัฒน์ กราบทูลเล่าความคิดของตนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่ข้าพระองค์กำลังเดินทางออกไปนอกสมประตูพระวิหารได้หวนคิดขึ้นว่าเราถวายพระโอสถฐายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทรงถ่ายครบ30สครั้งแต่พระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมักหมมด้วยสิ่งที่มีโทษมากพระองค์จะไม่ทรงถ่ายครบ30สครั้ง จะทรงถ่ายเพียงยี่สิบก้าครั้งเท่านั้นต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้วทรงสงผวรากายพระองค์ก็จะทรงถ่ายอีกหนึ่งครั้งจึงครบสามสิบครั้งพอดีเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นห่วงในเรื่องนี้และเป็นทุกข์หนักใจในเรื่องนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสมพรรากาย แล้วก็ได้กระทําตามที่หมอชีวกคิดไว้นั่นคือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมภพรกายแล้วก็ทรงถ่ายอีกหนึ่งครั้งจึงรวมเป็น30ครั้งครบตามที่หมอชีวโกโกมารพัฒน์กำหนดไว้ครั้นแล้วหมอชีวโกโกมารพัฒได้กราบทูลถวายคำแนะนำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ควรเสวย พระกยาหารที่ปรุงด้วยน้ำต้มผักต่างๆตลอดกระทั่งอาหารที่เป็นเมล็ดจนกว่าจะมีพระรกายเป็นปกติพระเจ้ะต่อมาไม่นานนะักผรกรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นปกติเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระรกายเป็นปกติดีแล้วพวกชาวเมืองได้ตระเตรียมทายาธรรม ไห้ถวายเป็นจำนวนมากธทยธรรมนี่ก็หมายถึงของถวายพระนั่นเองนะครับส่วนหมอชีวโกกโมมรพัฒ์ได้มาเข้าเฝ้ากราบทูลความข้อนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจา้าวันนี้พวกชาวเมืองมีความประสงค์จะถวายไทยธรรมแด่พระองค์ขอพระองค์เสด็จเข้าไปในระแวกบ้าน เพื่อเสดจาริกบินธบาตเถิดพระเจ้าข่าฝ่ายพระหมหาโมฆลานะเถระคิดพิดจารณาว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสมควรจะได้ปฐมบินธบาตคืออาหารเป็นครั้งแรกจากที่ไหนดีเนาะท่านก็คิดว่าจะเอาอาหารอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยเนี่ยจะได้จากที่ไหนดี แล้วท่านพลันคิดได้ว่าโสนะเศรษฐีบุตรจำเดิมตัเขาทำมามาได้รับประทานข้าวสุกที่ชื่อว่าข้าวสาลีหอมโดยทำนุบบมรุงด้วยการรดด้วยน้ำนมสดไม่สาธารณะคือไม่ทั่วไปแก่ชนเราอื่นเลยเราจะนำอาหารบินทบัตจากโสนะเศรษฐีบุตร นั้นมาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพอคิดดังนี้แล้วท่านไปด้วยฤทธิ์แสดงตนของท่านบนพื้นปราสาทของโสนเศเษธีบุตรโสนาเสธีบุตรได้เห็นพระมหาโมคลานติระแล้วจึงรับบาทของ พระธีระมาใส่อาหารอันประนีตลงในบาตรแล้วนํามาถวายพระธีระและเขาได้เห็นอาการของพระธีระที่จะต้องการไปจากบ้านของเขาเขาจึงกล่าวรัตนาว่าขอนิมน์พระคุณเจ้าฉันเถิดขอรับกระผมจะถวายอาหารส่วนอื่นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในภายหลังครับหลังจาก พระมหาโมคลาณะเีระได้ฉันพัะตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วโซนเศรฐีบุตรก็ได้ล้างบาตรและอบบาตรโดยของหอมแล้วใส่อาหารส่วนที่จะถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและนํามาถวายแด่พระเทระพระมหาโมคลานะเีระจึงนําบาตรพระตาหารมาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฝ่ายพระเจ้าพิมิสานบรมมกษัตริย์ก็ทรงพระนามว่าในวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยพระกยาหารอะไรและพระองค์เสด็จมาที่พระวิหารพอพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารก็ทรงได้กลิ่นอาหารบิณฑบาตจนทำให้พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะเสวยเหมือนกับ เราได้กลิ่นอาหารนองหอมแล้วนึกต้องการอยากจะรับประทานบ้างนะครับอาหารบิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเทวดาทั้งหลายย่อมแทรกโอชารสโอชารสก็คือรสอร่อยลงในอาหารบิณฑบาตของพระพุทธองค์ที่ยังอยู่ในภาชนะเพียงสองครั้งเท่านั้นคืออาหารบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้ เป็นพระสมมาสมพุทธเจ้า 2. อ, อาหารมิบาต ท, ที่นายจุนทะกัมมารบุตรได้ถวายในคราวก่อนจะเสด็จดับขันทัปเรนิพานก็คือก่อนที่จะมรณภาพหรือตายนะครับนี่เป็นอาหารที่เทวดาจะใส่ลงไปทีเดียวเลยส่วนอาหารมิบาตอื่นๆพวกเทวดาได้แทรกโอชารสทีละคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้า จะเสวยเท่านั้นครั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ทรงมีพระประสงค์จะเสวยบ้างจึงรับสั่งให้ถวายอาหารวิถีบาศหน่อยหนึ่งที่เทวดายังไม่ได้แทรกโอชารถลงไปแก่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์เสวยแล้วจึงทรงกราบทูลถามว่าโภชนะนี้นํามาจาก อุตรกุรุทวีปหรือพระเจ้าค่าเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาบาพิษโภชนะนี้ไม่ได้ัำ ม, มาจากอุตรกุรุทวีปที่แท้โภชนะนี้เป็นโภชนของเศถียีบุตรผู้อยู่เป็นชาวแว่นแหวนของมหาบาพิษนั่นเองและได้ตรัสบอกส บ, บัิของโสนะ ให้พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตย์ได้ทรงทราบพระราชาทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้วมีพระประสงค์จะส่งทอดพระเนธโสนะได้ในบีพระราชดลสั่งให้โสนะพร้อมด้วยกลบุตรแปด0มื่นคนมาเฝ้าและในที่สุดกลบุตรเหล่านั้นได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ก็ได้สาเร็จอริยผลเป็นประโสดาบันสนโซ น, นะได้บวชแล้วก็ได้สำเร็จพระอาราตผลเป็นพระอรหันต์และเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทาพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอชีวโกโกมารพัฒนได้ถือคู่ผ้าเซวียกันนั้นไปข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์ขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสักอย่างหนึ่งพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตถาคตเลิกให้พรเสียแล้วหมอชีวกโกมารพัทยิงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์จะกราบทูลขอประทานพรแต่สิ่งที่สมควรแก่สมณะและไม่มีโทษเท่านั้นพระเจ้าข้า ท่านผู้ฟังครับเมื่อหมอชีวกโกมารพัฒกราบทูลดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัส ก, กับหมอชีวกว่าอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปนะครับเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่และจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ